ปฏิบัติมันก็มีหลักอยู่ง่ายๆว่าต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วก็ต้องรู้ว่าทำไปเพื่ออะไระธรรมะนี่มันก็มีหลายมีหลายเรื่องมีหลายอย่างหลายชนิด แต่ละช น, นิดก็มีลักษณะไม่เหมือนกันเช่นทานนี้ก็อย่างหนึ่งศีลก็อย่างหนึ่งภาวนาก็อย่างหนึ่งทานนี้จะทำได้ก็ต้องเอาช น, นะความเป็นตัว ว่าความคิดความอยากจะให้ใหม่ๆ ม, มันก็ต้องฝืนเพราะว่ามันดิดมันอยากมันหวงอยู่ก็ต้องทำบ่อยๆอย่างเด็กเนี่ยเราก็เห็นเด็กบางคนเขาก็ มีของเล่นขนมเขาก็จะห่วงเอาไว้ก็สอนเด็กว่าให้ให้แบ่งปันให้ให้เพื่อนบ้างให้ผู้ใหญ่บ้างหรือว่าพาไปใส่บาตเขาก็จะรู้จักการให้ สีนี่มันก็ที่ยินทานก็เป็นส่วนหนึ่งของสีนนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สีห้าแต่ก็ถือว่าเป็นสีนในแง่ที่ว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกทางกายวาจาสีนั้น ถ้าเป็นศีนห้าก็จะเปลงการงดเว้นเจตนา ง, งดเว้นซึ่งก็ต้องควบคุมไม่ให้กายวาจามันถูกผลักด้วยความอยาก หรือว่าความโกโรธหรือว่าความหลงโลภะโทสะโมหะอันนี้เป็นตัวเป็นปฏิ ป, ปกกักษ์ศีลห้าหรือว่าศีลทั้งหลายการรักษาศีลก็ต้อง ในแหมก็ต้องกดข่มโลพาโทสามโมหะไว้มันอยากจะทํามันอยากจะได้ของเขามันอยากจะทำร้ายเขาก็ตหักห้ามใจจึงจะรักษาศีลได้แต่ว่าในรเราเดียวกันการรักษาศีลมันก็ไปช่วยช่วยทําให้การหักห้ามหักห้ามกดข่ม อารมณ์ภายในมันทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็กิเลสมก็จะอ่อนแรงไปกลายเป็นเรื่องที่ว่าทำได้ง่ายทำได้สบายกลายเป็นวิสัยเช่นเดียวกับทานเมื่อให้บ่อยๆให้บ่อยๆจิตก็เกิดเมตตาความหวงความดึดเอาไว้มันก็น้อยลง เรื่องภาวนามันก็มีอีกต้องหลายอย่างจะภาวนาอะไรภาวนาเพื่อเจริญเมตตาภาวนาเพื่อเจริญอรรถมาทธธรรมถ้าเจริญเมตตาก็ต้งใช้เมตตาภาวนาถ้าเจริญอรรถมาทธธรรมก็ ที่เจ ร, ารณาเมตสติหรือว่าภาวนาเพื่อให้เกิดการคลายในการมราคะก็เจรณาอสุภะอสุภะกรรมฐานความไม่งาม หรือว่ากายขจัสติอันนี้ก็เป็นเรื่องการพิจารณากายอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้ก็เป็นอาการ32ของกายมันก็เป็นความไม่งามการคลายหรือว่า ก า, ารวางมันก็เกิดขึ้นในใจจะเรียก <c oughs> เป็นการกดข่มก็ได้แต่ไม่ได้กดข่มด้วยด้วยด้วยแรงด้วยกำลำนาจจิตฝ่ายดี อย่างสีนี่มันต้องใช้อำนาจจิตฝ่ายดีเข้าไปกดข่มอยากจะดา่าอยากจะทำร้ายอยากจะแกล้งเขาแต่ว่ากดข่มเอาไว้ด้วยจิตฝ่ายดีมันก็ทำให้รักษาสีข้อที่หนึ่งหรือว่าข้อที่สีได้ การเจริญภาวนาที่แ บ, บ่ยังเรีอกสุภาพนี่มันก็เป็นการมองเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งของของของกายมันก็จะไปทำให้เกิดความคลายความเบื่อขึ้นมาเนื้อความการ ความเบื่อนี้ขึ้นมามันก็เข้าไปบรรเทาดลังนับให้การมาราคะได้ไม่ใช่เป็นการกดข่มเดิ่มหน้าจิตแต่เเป็นการปลุกเราให้ความความเบื่อให้มาให้มาสยบ มันมันมันแยบคายกว่าการที่จะใช้กําลังติดเข้าไปกดข่มความอยากเชื่อว่าเราเราโกรธคนเนี่ยถ้าไปใช้กําลังติดกดขม่มความโกรธเนี่ยมันก็จะหายไปชั่วขณะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ไม่ไปนนเป็นอารมมันซ่อนเอาไว้เดี๋ยวมันก็ระบายโผไมอ่อีกแต่ถ้าเราจะเลยเมตตาเ อ, อ ความรักเกิดขึ้นความรักนี่มันก็เหมือนกับน้ําเย็นมันก็ไปดับไฟเป็นการใช้ความรักเข้าไปเข้าไปสลายเข้าไปสลายความกโกรธหรือโทสะมันไม่ใช่เป็นเรื่องการกดข่มด้วยอำนาจจิหรือด้วยเจตนาความตั้งใจซึ่งมันทำได้ยากแล้วก็ไม่ดี การมาราคาเกิดขึ้นไปกดกลมมาว่ามันก็มันก็หายไปชั่วขณะแต่ว่าถ้าใช้ถ้าเราไปบ่มเพาะความรู้สึกเบื่อความรู้สึกว่าไม่งามมันก็เป็นดับไม่ราคา มันก็สลายไปเองอ น, นี้ไดีว่าสร้างธรรมะที่เป็นปรกติหรือคู่ตรงข้ามก็ามาสลายเข้ามาเจือจางไปไี่ใช่ว่าแต่ละวิธีนี่มันก็นธรรมะแต่ละยามก็ใช้วิธีการที่แตกต่างกัน จุดมุ่งหมายเดียวกั น, กนกคือท้ใ้เกิดความปกติทำใ้รรเกิดความสงบสะอาดแต่ว่าใช้วิธีการที่แตกต่างกันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเฉพาะหน้าที่ไม่เหมือนกันเช่นทานี่ก็ลดควากนกระตัวสีนี่ก็เพื่อ ไม่ให้เราไปเบียเดเบียนคนอื่นซึ่งจะกลับมาสร้างความโดยร้อนในกันเราภาวนาเพื่อทีจะให้เกิดความสงบเย็นแล้วก็อันนันรือว่าสมถะแต่ว่าถ้าทำเพื่อเกิดความสว่างก็เรียก ว, วิปัสสนาวิปัสสนานี่มันเป็นอี ก, อ, กอีกอันหนึ่งเลยไม่ใช่เป็นเรื่องการกดข่มไม่ใช่เป็นเรื่องการฝืน เลไม่ใช่ เ, เรื่องการบันเทาระงับอารมณ์ฝ่ายอกุศลแต่มันเป็นการมองเข้าไปเพื่อหเห็นความจริงโดยไม่เข้าไปทำอะไรกับกจิตทั้งสิ้น ไม่ฟื้นไม่กดข่มไม่ไม่ละงะไม่บันเทาแต่ดูมันเฉยๆดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจความโกรธเกิดขึ้นก็ก็ดูรู้มันความเกลียดเกิดขึ้นก็ดูก็รู้มันแต่เพียงแค่รู้มันก็มีผลไปในทางที่ทำให้เกิดการปล่อยการวางได้ เพราะว่าเวลาเอากศุศลธรรมมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเองแต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วจิต ก, ก็ไปยึดมันเอาไว้แล้วก็ปรุงปรุงให้มีตัวมีตน เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เสพอารมณ์นั้นมีตัวกูเป็นผู้โกรธ ม, มีตัวกูเป็นผู้อยาก <c oughs> มันไม่ใช่แค่มีความอยากไม่ใช่มีแค่ความโกรธเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีการไปยึดเอาว่าอยู่กูผู้อยากผู้โกรธอันนี้ก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาคือกูเป็นทุกข์มันเกิด การเป็นขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่จะเรียกว่าชาติก็ได้การเกิดเกิดตัวกูเกิดความรู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ชาติซึ่งต้องอาศัยพบ เ, เหมือนกับเด็กในคันเด็ดจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยคัน ันคือพบจึงจะมีเด็กเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าเราก็พูดไงไม่ลองไปติดกับคำก็ได้มันเกิดความรู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่เกิดความ เกิดมีตัวกูว่าเป็นผู้ปวดผู้เจ็บผู้ทุกข์ผู้อยากแต่ น, นี้พอพอมีสติเกิดขึ้นการเผลอไปยึดมันก็หายไปสติมันก็จะได้เป็นเป็นคู่ปฏิปปับกับความหลงก็ได้ แต่มันเกิดขึ้นโ ด, โดยอัตโนมัติโดยไม่ได้เจตนาเพียงแค่การที่เราเห็นมันเท่านั้นเองมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็การรุมแต่งก็หยุดไป หยุดปรุงแต่งเพราะปรุงแต่งด้วยความเผลอด้วยความหลงสติเกิดขึ้นความเผลอก็หายไปการปรุงแต่งก็หยุดม่นก็เห็นความโกรธ อ, อยูนะ่ความกรธดวิ่งมีอยู่แต่ว่ามันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นผู้โกรธแล้ว แลอที่เรา้ม่เชื้อไมความโกรธก็ดับไปเมื่อไม่มีการปรุงเหมือนก็ไฟที่ค่อยๆดับเมื่อไม่มีการเติมเชื้อให้กับมันสตีนจริงความหมายนี้ก็คือการระลึกได้รนะะลึกได้คือไม่ลืมไอ้ที่ไปปรุงเป็นกูผู้โกรธกูผู้ทุกเน้อเพราะว่าความ ความลืมตัวลืมเสร็จปรุงขึ้นมาแต่และพอสติเกิดขึ้นสติมเกิดขึ้นเป็นขณะพอสติเกิดขึ้นปุ๊บความโกรธหายพอสติดับความโกรธก็เกิดขึ้นใหม่ถ้ามันยังมีกำลัง มันก็นลดนะแม้ว่าเราแร่เร็วๆเนี่ยพอเราดับเครื่องเนี่ยมันก็ยังแร่นต่อไปได้ฉนั้งที่เครื่องมันไม่ทำงานแล้วไม่มีการเผาไหม้นะแต่ว่ามันยังมีแรงส่งอยู่ทำนองนั่นแหละ การทำงานสติการระลึกได้มัระลึกได้ระลึกก็คือระลึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแต่ความระลึกได้ก็ทําให้เกิดการรู้ขึ้นมาได้เหมือนกันเช่นโกรธเนี่ยโกรธก็โกรธเป็นขณะขณะโกรธ1โกรธ2โกรธ3โกรธ4เป็นขณะขณะ น, นี้ โกรธห้าสักพักสติเกิดขึ้นแทรกกลางโกรธก็เกิดเกิดขึ้นความโกรธก็ดับไปแต่สติเมื่อเกิดขึ้นก็จะสามารถระลึกได้ละออมมื่อช่วขณะเมื่อกี้นี้มันโกรธมันมารู้ทีหลังมันมารู้มันมาตามรู้ทีหลัง โกรธ 1, โกรธสโกรธโกรธสโกรธสติเกิดปุ๊บมันก็ไปเห็นตัวโกรธ 5, ้าโกรธโกรธโกรธสองก่อนที่เมื่อกี้เกิดขึ้นมาก็รู้ว่าโกรธมันระลึกขึ้นมันมันระลึกขึ้นมาได้ความระลึกขึ้นมาได้ก็ทำให้รู้ว่าโอ้เราโกรธนะ อันนี้เราเห็นความโกรธแล้วตอนนี้แต่เป็นการเห็นความโกรธที่เพิ่งดับไปเมื่อกี้ซึ่งเป็นเรื่องของการระลึกได้เหมือนกับเราเราทำงานอยู่แล้วมีเสียงระฆังเสียงนาฬิกาตีตีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเรายังไม่ได้ยินไม่สนใจ เรากำลังคุยกันอยู่เราไม่สนใจเสียงนาฬิกาตีนาฬิกาตีหนึ่งสสามี่เราก็ไม่สนใจก็เลยไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่ว่าไม่รับรู้พอตีขั้นที่5้าเราเราได้ยินขึ้นมาพอเราได้ยินขึ้นมาตรงนี้เราสามารถจะทวนย้อนไปได้ว่าออกเมื่อกี้ตี1ตี2ตีสาตี4ี่แล้วก็ห้า เราสามารถตบอกได้ว่าตีไปแล้วห้าครั้งทั้งที่สี่ครั้งแลนี้เราไม่สนใจหรือไม่ได้ยินก็ว่าได้เราเราพิ่มมาสนใจเมื่อตีครั้งที่ห้าเกิดการใส่ใจเกิดการรับรู้ขึ้นมาเราก็ยังสามารถที่จะระลึกย้อนไปได้ว่าโอ้มกี้ตีไปแล้วห้าสี่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้า บางทีได้อยอนคนคุยกันเราก็ไม่สนใจแต่พอเขาพูดถึงนึกถึงพูดถึงใครคนหนึ่งขึ้นมาเราก็สนใจขึ้นมาใจก็ไปรับรู้สิ่งที่เขาพูดแล้วเราก็ยังสามารถจะย้อนไปได้เมื่อกี้เนี่ยเขาพูดถึงเขาพูดว่าอะไรก่อนที่จะมาพูดถึงคนคนนี้สติมันทำงานคล้ายกัน่ะ คือมันมันมันจำมันระ ล, ลึกได้มันนึกย้อนไปได้ก็ทําให้เกิดการรู้ขึ้นมาไอตอนโกรธโกรธโกรธนีไ่ไม่รู้นะมันไม่รู้มันเป็นเข้าไปแล้วคือไม่รู้ว่าโกรธเป็นเป็นผู้โกรธไปแล้วไม่รู้ว่าโกรธนะ แต่พอสติขึ้นมาปุ๊บมันก็ยอ้อนเราลุกขึ้นมาได้อ่โกโรธเนี่ยรียกว่าเห็นความโกโรธตอนนี้แหละเห็นความโกโรธหรือว่ารู้ว่าโกโรธนะมันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่รู้ก็าจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวสติอ่อนมันดับไปเอาโกโรธโผล่ม่แล้วก็ ไม่รู้ว่าโกรธสติเกิดขึ้นอีกปับ๊บเราลึกตด้ว่เมื่อกี้โกรธก็รู้รู้ว่าโกรธเห็นความโกรธขึ้นมาเหนไหมมันมีความ้ระหว่างความว่าเราลึกได้กับการรู้การเห็นที่มันเป็นอันเดียวกันถ้ามันมันสัมพันธ์กันแบบนี้พอราลึกได้ก็รู้แล้วก็เห็น โกรธรู้ว่าโกรดเห็นความโกรธแต่มันเห็นที่หลังนะหลังจากผ่านไปแล้วไม่ใช่เห็นตอนหน้ามันพอมันผ่านไปแล้วจะค่อยเห็นแต่ว่ามันมันเร็วมากกอเลยเหมือนก็บว่าเห็นกันเห็นตอนเห็นตอนหน้าต่อตาแต่จริงที่เห็นนี่มันผ่านไปแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นรายละเอียดนะที่ไม่ต้องไป ใส่ใจก็ได้แต่ให้เรารู้ว่าเนี่ยพอสติเกิดขึ้นมันก็รู้ขึ้นมาทั้งนี้สติจริงๆมันเป็นตัวระลึกได้สติหน้าที่ของสติคือมาระลึกได้เหมือนกับเราเราจะนึกชื่อเพื่อเราจะนึกถึง เบอร์โทรสั์ของเขาเราก็นึกขึ้นมาได้ไอ้ที่นึกขึ้นไม่ได้คือสติเราก็ใช้สตินี่แหละมาในการในการในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะเห็นความจริงของจิตให้เห็นความจริงของกายโดยที่ไม่ต้องไปไปบังคับ ไปกดข่มไปดัดแปลงหรือไปบันเทาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจให้มันรู้เฉยๆให้มันรู้รู้เองสติมันน่าเชืเราคือทํามันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยคือรู้อยู่เรื่อยๆยุดรู้อยู่เรื่อยๆรู้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันรู้ขึ้นมาเอง ทำซ้ำๆกันทำซ้ำๆกันไม่ใช่ใช้วิธีกดข่มการปฏิบัติไม่เป็นเรื่องทฐาเรื่องศีลหรือสมถะนี่มันจะได้เป็นการกดข่มหรือต้านกิเลส ก, ก็ได้นะก่อนหน้านี้ไม่ปฏิบัติมันก็เป็นการต้านกิเลส ตามความอยากทำไปตามความอยากทำไปตามความโกรธก็ด่าเขาไปทำร้ายเขาทำไปตามความอยากก็ขโมยของเขาลักของเขาหรือหวงเอาไว้มีโดยทําตามความอยากแต่ต่อมาเราก็ต้านความต้านกิเลสด้วการให้ทานด้วยการรักษาศีล แล้าทางการพิจารณาสุภาษณ์นี่ก็เป็นการต้านกิเลสอีกระดัหนึ่งแต่ไม่ใช่ด้วยการกดข่มแต่ทําด้วยการให้เห็นความไม่งามแล้วมันก็เลยเบื่อก็เลยคลายก็เลยไม่อยากหรือปั ส, สนานี่มันมันไม่ทั้งไม่ต้านไมไม่ต้านกิเลสแล้วก็ไม่ตานกิเลสมันแค่รู้เฉยๆรู้ รู้เฉยๆไม่มีการเลือกที่รำมัติชังว่าสงบเอาถ้าโกรธหุดหนิดนี่ไม่เอานะอ น, นั่นเป็นเรื่องสมถะมีปััสนานี่อะไรอะไรเกิดขึ้นก็ต้อนรับทั้งนั้นเกิดขึ้นกับใจอะไรเกิดขึ้นกับใจก็ต้อนรับทั้งนั้นไม่มีการเลือกที่รำมัติชังว่า ฉันจะเอาแต่ความสงบฉันจะเอาแต่ความเอาปิติเอาปัสสธิถ้าเครียดฉันไม่เอาหงุดหงิดฉันไม่เอาสงสัยฉันไม่เอานั่นเองไม่ใช่กลัวก็ดีด่าก็ดีเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆดูไม่เฉยๆเห็นมัน เราก็เห็นด้วยสติเห็นนี่หรือรู้นี่มันทามันรู้ทีแรกก็รู้ด้วยสติก่อนไอตอนไม่มีสติก็ไม่รู้นะก็ไปหัวปกักหัวป่าความโกรธความความโลภพอมีสติปุ๊บเออมันรู้เลยว่าโกรธเกิดขึ้นโท่สาเกิดขึ้นเครียดเกิดขึ้น ใจสติมันทําให้เห็นทําให้รู้แต่ต่อมาดูมไปเหน็นไปเรื่อยๆก็จะก็จะเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยนนะมันมีเหตุมีปัจจัยนะมันมีเหตุก็เกิดเหตุดับก็เหตุหมดมันก็ดับไปอ่านี่เหตุ น, นี้จังแล้ว เห็นความไม่เทียงของมันอันนี้ปัญญาแล้วนะสติคือเห็นว่ามันมีอยู่รู้ด้วยสติคือรู้ว่ามันมีแต่รู้ด้วยปัญญาคือรู้ว่ามันเป็นยังไงรู้มันมีสองแบบรู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเมื่อขณะนี้เองนี่คือรู้ด้วยสติ แต่ถ้ารู้มันเป็นยังไงรู้มันไม่เที่ยงรู้วมันเป็นทุกข์ร่วมเป็นอนัตตารู้วกายก็ดีจิตก็ดีมันไม่เที่ยงเป็นอนัตตามันล้วนแต่มีปัจจัยมาปกุงแต่งทั้งสิ้นอันนี้คือรู้ด้วยปัญญาใหม่ๆก็รู้ด้วยสติไปก่อนคือเห็นมันรู้ว่ามันมีมันมีรู้ว่ามันมี เห็นมันเห็นมันเหอบแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นเห็นนิสัยของมันเหมือนกับมีคนมาวัดเนี่ยเราก็เห็นว่าเออเขามาวัดเขาอยู่วัดเป็นลิงมาเข้ามาในป่าเขามาในวัดแล้วก็เห็นแต่ก่อนไม่เห็นเพราะทําอะไรไม่รู้กอนนี้ก็เห็นว่ามีลิงมาต่อมาเห็นไปเรื่อยๆก็จะเห็นนิสัยของมัน อันนี้ปัญญาเกิดแล้วใน ต, ตอนที่เห็นว่ามันมานี่เห็นว่ามันอยู่นี่เรียกว่าสติรู้ได้สติต่อมาเห็นนิสัยของมันนี่จะรู้ได้ปัญญารู้ได้ปัญญาเนี่ยที่ทำให้หลุดให้หลุดจากการปล่อยวางได้การปฏิบัติเราก็ทํา ถ้าเจริสติก็ทำตรงนี้เท่านั้นแหละคือทำไม่มีคือรู้รู้รู้รู้ร่มมันมีอยู่ล่วมโกรธร่าม ร, ร่วโกรธมีโกรธอยู่มีโลภอ ย, อยู่มีฟุ้งอยู่มีความสงบอยู่มีความสบายใจอยู่แต่ต่อไปก็รู้ว่าทั้งหมดนี้นี่ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ความกลัวก็สอนเราอย่างนี้ความเครียดก็สอนเราอย่างนี้ความความสบายใจความสุขก็สอนเราอย่างนี้สอนเรื่งเดียวกันอกุศลธรรมก็สอนอย่างนี้กุศลธรรมก็สอนอย่างนี้สอนหนึ่งเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงมีค่าเสมอกัรในปนัศนำทำใ้เราเห็นแล้วนะว่าความโกรธกับความเมตตาเนี่ยมีค่าเสมอกันคือสอนเราเลือกใหลักถึงไม่เลือกที่เราเมตาิชัง เ, เพราะว่าสอนบทเรียนเดียวกัน ถ้าไม่ไมไมไมไม่ใช้ปัสัสนามไม่เห็นนะว่าความโกรธกับเมตานี่มันสอนเรื่องเดียวกันเราถึงต้อนรับทั้งสองอย่างาไม่มีการเลือกว่า โ, โกรธไม่เอาเมตตาฉันเอาเครียดไม่เอาสุขฉันเอาอ อันนี้ไม่ใช่ปรัชสสนา น, นี้ไม่ใช่การเจริญสติไม่ใช่สติปัฏฐาน4นี่ต้องจับให้ดีเพราะว่าเรามักจะปฏิบัติเราก็จะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เอา ถ้าเราต้องการความสงบต้องการความเมตตาเราก็จะไม่อยากไปคล้องแวะกับไข่นีเก็บตัวอยู่ในในป่าเดยได้มีแต่อารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวเจอคนแล้วมันหนิดหนิดทำงานแล้วมันวุ่นวายเกิดความชังขึ้นมา ไม่ชอบแต่นี้ไม่ใช่วิถีของวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนานี้ยอมรับต้อนรับยินมรับทุกอย่างอารมณ์ทุกอย่างเพราะว่าถึงที่สุดแล้วสอนเรื่องเดียวกันกอยให้เกิดปัญญาอย่างเดียวกันคือใจรัก นัก ป, ป, ป, ปดิบัตนี่ก็จะไา้ไปได้ไปได้ไปเลือกที่รักเม้าที่ชังกับปัดสิ่งแวดลอ้อมว่าเออถ้าสิ่งรับอสงบฉันเอาถ้าสิ่งรอไม่สงบฉันไม่เอาก็เลยเป็นพร้อมจะไปะเผชิญกับทุกอย่าง เพราะว่ารู้ว่าไอสิ่งว่าเราที่ไม่สงบสิ่งว่าเราที่วุ่วายมันก็ทำให้ใจไม่สงบก็จริงแต่ความไม่สงบในใจมันก็เมื่อเห็นมันรู้มันไม่เป็นมันมันก็สอนทำได้สอนใตเราแต่ตอนแต่ในเวลาเดียวกันถ้ามีสติมีปัญญาถึงแม้ไปอยู่ในที่ที่วุ่นวายอยึดอั มันก็วุ่นวายแต่ข้างนอกแต่ว่าใจไม่วุ่นวายไปด้วยความทุกข์มันไม่กระทบมันกระทบกายจะไม่กระเทือนไปถึงใจอย่างที่เรามดกัดมดกัดก็กายปวดแต่ใจไม่ปวดใจก็นิ่งเย็นได้ที่ทำนี้ได้เ พ, เพราะว่ามันเห็นความปวด เป็นความปวดและไม่ผักส ย, ยอมรับได้ไม่ไม่รังเกียจแต่ถ้าเราถ้าเรามีความปวดเปิดขึ้นแล้วเราลังเกียจเราผักสายมันใจก็ทุกข์ใจทุบใจก็ปวดตามไปด้วยเลยแต่พอกายปวดใจใจไม่ปฏิเสธความปวดหรือทุกขเวทนานั้นเห็นมันรู้มันใจก็ไม่ทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข มันก็เย็ยนได้แม่กายปวดไอการรู้จะมาช่วยทำให้หลานแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยไม่ก็เลยไม่ก็เลยไม่ไม่ลังเกียจที่จะจะเดินให้หมดกัดอย่างคนที่เขาเล่าที่วันนันพูดนี่บอกก็บอกจะกัดก็กัดไปฉันก็จะดู ตอนไม่ไม่มีสติก็เกลียดหมดแต่พอมีสติเออกลายเป็นอาจารย์มดไปจะกัดก็กัดไปไม่ได้เกลียดกับเมตตาสงกลับเมตตาสงสารหมดเดยซ้ำเมื่อเราเป็นรังแกว่าเราไปเร า, เราไปรบ ก, กวนเขาแล้วความรู้สึกมันกลับกลายเป็นบวกขึ้นมาแล้วก็ไม่ลังเกียจที่จะไปเดินจงกรมบนทางที่มีมด ไม่ใช่ว่าต้องเดินบนทางที่มันราบเรียบมีมีหญ้านุ่มๆจะได้เดินสบายใจสงบนะไม่ใช่เดินทางไหนที่มีจะมีหญ้าหรือจะมีกลัวหรือจะมีมดก็มีค่าเสมอกันจิตมันไม่ผักใสแล้วเพราะว่าจะเดินบนทางสงบจะเดินบนทางกลัวจะเดินบนทางที่มีมด มันอาจจะต่างกันเพียงแค่ว่าอย่างหนึ่งกายสบายอีกอย่างหนึ่งกายไม่สบายแต่ว่าในแง่ของจิตใจแล้วมีค่าเสมอกันคือใจสงบไม่หมดกับเหยียบปวดน้อยปวดแต่ปวดกายแต่ใจนิ่งเหมือนกับเวลาเดินบนทางเดินบนพรมเดินบนหญ้ากายก็นิ่ง แต่ว่ากายก็ไม่ปวดมันต่างตรงนี้แหละแดดร้อนแดดไม่ร้อนแดดร้อนกายก็ร้อนแดดไม่รอ้อนกายก็สบายแต่ว่านี้ให้ห้องใจของผู้ปฏิบัติมีค่าเสมอกัรคือมันสงบได้ทั้งสองสถานการณ์นี้พ่อมีสติพ้อมีปัญญา หรือว่าเพราะเห็นคุณค่าของปัญญาที่จะเกิดจากการที่ได้เห็นใจเป็นากากของใจนี่วกเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ใหดีการปฏิบัติมันจะได้ถูกเอาล่ะก็พูดกันตรงนี้แหละจัดการมงคล